เทศอบรมพระวันที่17สิงหาคม2521นี่เ็ดผ็ดร้อนดีมากเทศบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนั้นคือวิสัยของคนโง่คนตาบอดหมดสาระยังเพียงลมหายใจเท่านั้นเอาความฉลาดนั้นแหละเป็นกุศลาให้ตัวเองอย่ารอให้ใครมากุศลาทำมาให้ เทศอวิชาตลอดถึงนิโรธว่าคือหลักการเกิดตายของสัตว์โลกทั้งมวล น, นอกจากพูดถึงแล้วในนิโรธเท่านั้นนี้เข้มข้นดีมากไปตลอดเลยใครฟังอัดได้คาทำที่นายไม่สามารถที่จะรับรองว่ได้เลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนั่นผิด เรื่งตนั้นผิดตอนนั้นไม่ถูกเห็นนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเทวบุตรเทวดาเปรตผีอะไรพูดผีต่างๆไม่มีนี่นี่คือลบล้างแบบหนากระหมาตัวนี้แสดงออกมาจากความโง่เง่าของตัวเองมืดบอดขอวเนั่นแล้วคนตาดีใครจะใครจะไปเชื่อได้เชื่อคนตาบอดโกงคนโง่คนฉลาดจะไปเชื่อคนโง่ได้ยัง คนฉลาดเชื่อคนง่นหายากมากาไม่มีคนตาดีเชื่อคนตาบอดมีได้ที่ไหนคนหูดีเชื่อคนหูหมวกก็เชื่อตื่นกันไม่ได้หลักธรรมของเจ้าเอามาจากความฉลาดแหลมคมของผมจะแท้เป็นสิ่งที่บริจุดฝุดของหาที่กำเนิดไม่ได้เลยรู้สิ่งใดก็รู้ด้วยขายาันริร้ปัญญา ดีชาติา ม, มากจริงๆไม่ใช่รูปแบบสุ่มแบบเราเหมืนโลกที่มีสิเลตอันเป็นเครื่องสุ่มเร า, นะาแต่ในหัวใจนี้แสดงมาอะไรนีแต่เรื่องรูปคำคำหาความแนี่ยนอนไม่ได้แล้วเราจะเอานี้ไปเป็นแบบฉบับสอนโลก แ, ลแบบฉบับสอนผู้ใดได้สอนตัวเองเป็นยงลันไม่ได้แบบนี้ี่จะทําลายตัวเองโดยลำดับของเราเป็นอย่างนี้เพราะของแต่ละอย่า ง, า ง, างมันมี เพราะของแต่ละอย่างอย่างมันมีเครื่องรักกันมันถึงจะรับได้คิดดูที่อย่างก่อนวิทยุโทรทัศน์มันมีได้มันไม่เห็นมีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่อนานี่นั่นมันมีว่าจะมันเป็นมาได้จากของมีอยู่ไม่ใช่สิ่งเดี๋ยนี้ไม่มีขอแต่ปรับปรุงให้มันถูกกับสิ่งที่มีอยู่มันก็เห็นมันก็รู้ได้เั่นั้นรับปิดได้เลยสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้น แต่ก่อนเราไม่มีเครื่องฟังก็ฟังไม่ได้ใงวิทยุไม่เราไม่สามารถปรัดตุต้งเครื่องสร้างเครื่องขึ้นมารับมันก็รับไม่ได้เพรทะเราทัดมันก็รับไม่ได้เดี๋ยวนี้คําที่ไหนมันรับได้หมดดูซิอริไเชื่ออะไรไม่ไดในปัจจุบันนี้ก็เห็นไดทัดอยู่แล้วนี่ออกมาจากคนง่หรือออกมาจากคนฉลาดเรื่องเหล่านี้ <Y out ube> อเพียงโลกเขาฉลาดเขาการร็เห็นทาให้แปลกจากเราผู้เป็นคนงโ่อีย่างนี้เห็นได้อย่างชัดชัด แล้วเหตุใจพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นผู้เหนือโลกอีกด้วยแล้วและธรรมก็เป็นธรรมเหนือโลกไปแล้วทําไมจะเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะไปเอื้อเมเอาธรรมมันเหยียบย่ำทําลายได้ด้วยความมืดอบอดของเรานี่ได้หรอมันถูกต้องลเลยแทนท่านนี้ก็บสลดของเรื่อเราฟังที่เขพูดใชนี่กต่ความสลดของเรื่อโอ้โปวดไม่ได้สัตว์จังโงกนี้เท่านั้นแหละข่ายการทำพระพุทธเจ้านี่ครอบไม่ได้แล้วหมด โมจีสายถ้าเป็นโลกโลก็โรคประเภทไอซียูคอยแต่ลหมหายใจมันจะหมดไปเท่านั้นเองไม่มีทางแก้ไขเยอยวย า, ย, า, ย, าย่างปิดไม่หายได้เลยประเภทลบบุญลบบาปลบนรกสวรรค์นิพพานลบพูดผีอะไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันนั้นให้เป็นของศูนย์หายไปหมดไม่มีอธิบาว่าคนนั้นหาสาระอะไรไม่ได้เลยหมดความหมายมันต้อมีชีวิตอยู่เลยเป็นลหมหายใจฟอดฟอดเท่านั้นเอง มันไม่ยอมรับตามสิ่งตามขั้นตอนของสิ่งที่มีตามเพศตามผู้ไปดูช้างกับคนอะไรใหญ่กันตัวกันนี่ถ้าคนกับหนูนั่นะอะไรตัวกันรับเราปฏิเสธมันได้ไ้ยหนูมันตัวเล็กคนมันตัวใหญ่ช้างมันตัวใหญ่กว่าคนฮนะพวกยุงพวกหมัดพวกเห็บอย่างนี้มันตัวเล็ก เห็นไมได้ไมันเป็นขั ung, ้นตอนขั้นตอนของมันย่างนันแล้วยิ่งที่ตูวโรคเพื่อโรคอ่าเช่นชือีวาต้นอันสามารถมองเห็น้วยตาเราปฏิเสธว่เชื้อโรคนี้ไม่มีได้ไหมใครปฏิเสธว่าเชื้อโรคมันมีก็เอาน้าที่เต็มไปด้วยโรคโรวามาินตรนที่มันตายเนี่ยนะอ่พิจารณ์ซิแล้วเชื้อโรคนี้ มีอะไรจะเป็นนิสัยที่จะตรวจได้รู้ได้เห็นได้เพระกล้องเหรอที่ว่าไม่ใช่ตาเมื้ อ, อยเฉยต้องใช้เครื่องน่นอันนี้พวกกล้าทิพตเหมือนกันก็ใช้ตาทิพตเลยที่เสียงทิพตก็ใช้หูทิพตเลยที่นั่นมีเครื่องเรามีแต่หูหนังแล้วยังบอดยังง่วกด้วยตาเนื้อนี่ก็ยังฟ้าฟางด้วยแล้วจะไปอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าหรือเปล่าที่ฮาเลย นี่ะะดดเราะมะนุษย์เราโง่ทลามันยิงอวดเท่าไรคนเราคนเท่าไรจริงๆไม่อวดโน่นถึงทุกิเลศความโลภความโกรธความหลงมันเผาหัวใจะอยู่ยังว่าถือเป็นของดีได้ทั้งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านขยะขยะงอที่สุดทีเดียวเราก็ยังถือเป็นของดีมันต่างกันอย่างไรระหว่งางพระราหันท่านกับพวกเราความโลภล้วถือเป็นของดีได้โลภเท่าไรยิ่งดีโลภเอาคนอื่นของอื่นได้ยิ่งดี โคตโกงรีดแทงคนอื่นได้ด้วยอำนาจปาปาเป็นเถือนต้องตนแบบเปิด แ, แบบผีแบบยักต้องคนหนึ่งได้ยิ่งดียิ่งดียิ่งดีได้โกหกใครแล้วก็ยิ่งดีที่หาทีหลงไปจนกระทั่งวันตายยิ่งดีมันเป็นอย่างนี้มีแต่เรื่องยิ่งดีิ่ดีถ้าเป็นของชั่วแล้วมันว่ายิ่งดีเท่านั้นถ้าเป็นของดีแล้วมันมาเป็นของชั่วมันกลับตระกัดกนันนี่แหละคนดีคนชั่วมันผิดกันอย่างน้เราดูเอาขี่้ม้ามเข้าใจว่าหอมไปแล้ว ต่อไปจ้เอาขี่หมามากินจะข้าวง่ามอาหารัอลไรที่เคยเป็นอาหารมนุษย์นี่จะไม่ยอมกินแต่พระที่เสด็จไปนั่นว่าไงเมื่อมันจิตใจมันต่ํานักข้าหนักเข้ามันจะเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นของชั่วเสด็จไปมาเป็นของดีอะไรเป็นของดีมันเหยียบย่าธาลาเป็นของชั่วทนี้ก็เหลือแต่ขี้หมาเนั้นมันกินมนุษย์ต่อที่มันฉลาดมนุษย์ฉละแบ บ, บลบร้างความกินต้องกินขี้หมา ต้องที่โลกก็ไม่กินมันชอบงั่งอยู่ว่างไรกรรมของมันกนะารสอนเรื่ อ, องความก็หลัดให้ะหลัดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์พิเลตเป็นของมีอยู่นั่นเห็นไตะชาดอยูน่นี่โลกมีอยู่โกรธมีอยู่ลลงมีอยู่เป็นคู่เทียมกันกระ บ, บากระบุนธรรมมีอยู่นั่นว่างไรความโลภความโกรธความหลงเป็นสายทั่วทําเป็นสายดีเป็นเครื่องแกที่เลตนั่น มันมีเป็นคู่เป็นคู่กันอย่นี่ปฏิเสธไปได้ที่ไหนมันมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าเราไม่มีใครเคยโลภไหมสงสัยได้ยังไงใครเคยโกรธไหมสงสัยได้ยังไงมันมีอยู่ทุกคนใครหลงไหมเคยหลงไหมสงสัยได้ยังไงนี่แล้วทําแกๆๆ้ความโลความโกรความหลงนี่เป็นอย่าง่งเรายังไม่เข้าใจเพราเราไม่ทราบว่าทำเป็นอย่างไรนอกจากผู้เหนือเราเท่านั้นจึงจะสามารถ นำทำนั้นมาแก้ปิ่นลางมกตกระปรงทั้งหลานี้ได้แล้วประกาศสอนให้โลกทั้งหลายได้ทราบทีวันนี้ที่เรียกว่าศาสนธรรมต้หมายถึงน้ําที่สะอาดสําหรับถ้าล่างสี่ที่ตกปรงอยู่ภายในหัวใจของสัตว์นั่นแหละแล้วมีไหมล่ะสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเราปฏิเสธได้ไหมแล้วถ้าการปฏิเสธอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธบาปบุญได้อย่างไงเพราะสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นเรื่องของบาปบุญทั้งนั้นะกรรมเขาว่ากรรมหรือหมายถึงการกระทำ คิดปรุงการจิตใจดีชัว่วกลางๆนี่เรียกว่ากรรมทางนั้นัน่นผลเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะปฏิเสธวิบากคือดีชั่วสุขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดปรุงดีชัว่วนั้นได้องเนี่ยมันเห็นที่ขัท่าอยู่านี้่ดูหน้ากระตัวของเราหนิเราจะรอบเป็นรอบตัวของเราเลยทําลายบาปบุญทำลายศาสนาธรรมทําลายตัวของตนเลยที่ทำลายที่ไหนเราจะเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนการทำลาย ศาสนาธรรมนิยธรรมจริงมซึ่งเป็นการทําลายตนนะพยายามสอนทุกเนี่ยทุกมุมอยากให้หมุดผลมีความเฉ ล, ะะละเียวฉลาดละเอียดมากนะพิเรศนะโอ้โหนี่ยเนื้ปัญสติปัญญาเป็นของสําคัญมากยาเห็นว่าเป็นของเล่นนะผมสอนอยู่ทุกเวลั่มเวลาไม่เคยขาดจากเรื่องของสติปัญญามีความเปลี่ยนเป็นขน้ามเห็น เอาตายก็ตายเถอะตายในวงความภาพเยน็นไม่มีใครกุศลาลร า, ราความสลากของเรากุศลาเราเองแล้วกุศลาแล้วความสลากเราจะไปหวังเรื่งองตายเราจะให้มีใครมากุศลาธรรมาอุศาาาอลาธรรมาเต่าหูวันไปนั่นแหละเอาความจริงดับมันลงไปนี่ความโง่อยู่ตรงไหนฮะพลิกความสลากขึ้นมาเอาความสลากนะั่นแก้ความโง่แก้ความโง่ได้เป็นลาดับๆนั้นนั่นแหละที่ว่าเราท่ากุศลาได้โดยลําดับแก้ความโง่หมดจากหัวใจแล้วนั่นหลังมาหากุศลา จอมฉละะอยู่ที่นั่นเชื่อที่นั่แต่ตื่นอะไรตื่นโลกตีนขึ้นศาลขนมทำเนียมอะไรอะไว่ากาตายโดยมหาความจริงทำเป็นพิธีเป็นอนะไรนไตายที่ไหนแหล่ลง้ปบุษราธรรมาบุษราธรรมะไม่สนใจบุษลาธรรมความหลาดอยู่แค่ตัวเองเราก้มาพูดงคงๆว่าเมื่อเราตายยะนิมนต์ข้ามาบุษราให้ท่านลาบากนะลรวบอกมคงเลย่นะีเราพูดมาแล้วท้างาหมแล้วเราพูดด้วยความจริงด้วยความอาจฐาน ไม่จะพูดด้วยความท้าทายพูดหนุนพูดใดทั้งนั้นซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้เว ล, ล้เราพยายามสร้างอุศลธรรมมาขึ้นภายในจิตใจคือความฉลาดสร้างสติสร้างปัญญาศรัทธาความเชื่อขึ้นมาแก้ตัวไหนมันโงู้ที่เหลือทุกตัวมันเป็นเรื่องให้เรางูทตรงนั้นแต่ตัวที่เหลือมันฉลาดเพราะท่านจึงแก้เรื่องให้เรางู้นี้ออกไปออกไปเราก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นมาด้วยกุศลารรมของเราใช่ไงแต่มันเป็นหมดไม่มีอะไรเหลือ ภายในจิตใจเลยแล้วกุศลามันกุศลามันมีปัญหาอะไรคือหาอะไรอะนั่นเป็นเรื่องสมมุติเนึรื่องต่างๆขอให้ตัวกินบริสุทธิ์เถอะอยู่ไหนอยู่ได้ตายไหนตายได้หมดเลยแล้วองงบพยาอะไรเรื่องความเป็นความตายเป็นของธรรมดาธรรมดานะเหล่านี้ไม่มีอะไรติดเตอะเลยนะขอรียนงถึงความจริงความตายไม่ได้มีความหมายเะไรมันตั้งนี่ยขึ้นมาตามเรื่องสมมุติของควาเกิดอยากเกิดจะไม่อยากตายเป็นแลได้เหรอ อยากเกิดกับอยากตายก็เป็นแันเดียวกันอออกมาจากเมือนเดียวกันความเกิดเป็นสาเหตุให้ให้ตายนถ้าเราไม่อยากเกิดถ้าเราไม่อยากตายก็พยางแย่ขายยาให้มันเกิดออกมาเมื่อต้นมันมีอยู่แล้วเจะกระดัง่งได้ไมันก็ต้องตายต้นเห็ น, นคือเกิดตายเป็นคู่เพียงกันซึ่งเป็นผลออกมาจากทิบาอันนี้ที่เกิดมาแล้วนะและ้วแก้หัวใจที่เป็นตัวพืชสําคัญตัวเชื้อสำคัญ มันจะขอโคกขอกำเนิดต่อไปอัตภาพนี้ยังไงก็เท่านั้นแหละแก้ให้ได้เแกมให้มันตายไม่ได้มันเกิดมาแล้วนี่เป็นนิบาศเห็นชัดเจนคือผลของวัตถุผลของที่เล็มันสร้างวัตถวนให้สับโลกสร้างกองคลุกคร้อมในร่างกายของสัตว์นี่ส่วนไหนที่มันหาความสุขนี้ด้านนี้แหละมีไหมไม่เห็นมีว่ามีความสุขความสุขมันสุขที่ตรงไหนเดี๋ยวก็ร่างกา ย, ยาผมพิจารณาดูแล้วมันไม่เห็นมีนอกจ า, รรากู่ธรรมดาธรรมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา อยู่ธรรมดาแล้วก็หิวนั้นแล้วหิวนี่เจ็บนั้นปวดนี่เวลาไม่เจ็บไม่ปวดปกติก็ว่ามันสุกมันไม่ได้สูกมันอยู่เฉยธรรมดานี่คิดตั้งนาเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ถ้าคิดอยู่ไม่เป็นสุขคิดก็เป็นทุกข์คิดทุกข์สนนั้นนั่นนี่เรื่อยท่อหน้าของจิตเด็กมันถุดมันกไปให้คิดให้ปรุงให้เกาะให้เกี่ยวให้ยึดให้ถือให้จับนั่งจับโน่นจับนี่ไฟอะไรไม่ว่าละ ซึ่งเป็นด้านที่เหนะั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นล่า ก, กับสัตว์ลงจมลงไปโดยลำดัดนบนเพราะมีทำติดลา่าขึ้นมานมาได้เพราะฉะนั้นชางิทำเพื่อให้มันเต็มจิตใจพิจารณาอะไรมันจริงด้ดูอะไรให้ดูจริงด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อกับนั่นจริงๆรอา้าวกาหนด่างกายส่วนไหนท่านว่ามันเป็นอสุภะอย่างนี้เป็นต้นนะอสุภะท่านมันอยู่ที่ตรงไหน มันอยู่หมดทั้งตัวบัวแต่เราไม่ดูสติมันเลื่อนลอยจิตใจมันเลื่อนลอยสติมันขาดขาดจมจมไปปัญญาก็ไม่มีนอนจมไม่ทราบอยู่ข้าไหนปัญญาได้ยินแต่ชื่อแล้วมันจะมารู้เห็นของจริงคือคำว่าปฏิคุณได้อย่างไงถ้าไม่รู้เห็นด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติมีใจเป็นพูดทํางานแล้วไม่มีพังลงจำนิสัยเรื่อง จ, จำจบก็ไปเด็ก ไม่เราไม่ประมาทเจ้าพระก่ยพิดกก็ได้จากความจาความจริงไม่ปรากฏในใจถ้ามันออกทางภาคภาคปฏิบัติเพราวันปริญาตจึงต้องมีปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลของการีฏิบัก็คือปฏิเวชนะปริญาตในการศึกษาหนเราเรียนจากอุปชาะเตชาลงมานะคะั่นตาตระโจนั่นคือภาคปฏิญาตเรียนแล้วจากนั้นเราดูหนังสือที่นั่นที่หนึ่งเรียนไปเรียรู้วิธีการดําเนินมีเดียวกับปริญาตปฏิบัติท่านสอนว่าอยังไงเอามาดําเดิน เจ้าสารลงมานะขาสันติ่ารมณอตัวที่จำแม่นท่านจำให้ให้ทำอะไรจำให้มาพิจารณางานดูพิจารณาเจ้าสารยังไงลงมายังไงอะไรขนาดใจไม้ว่าแต่เจ้าสารลงมานะขาสันติระณูตเนื้อหนังกระดูกตัดใตไข่ฟูงที่ไหนดูไปเถอะมันเป็นธรรมฐานทางนั้นเนี่ยรู้ให้มันเห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงแล้วมันจะยึดได้ยังไงปิเนี่อรู้ที่แจ้งทำจริงแต่มันปล่อยเองอุบาทานมันจะฝังลึกยิ่งกว่า อะไรก็ฝังเถอะถอนขึ้นมาอีกไม่มีอลไรที่จะลึกจึงกว่ปัญญาปัญญาตามผขดข้นขึ้นมาได้หมดนะเราจะทำดุ่มดุ่มดอนดอนทำแต่ว่าทําวันหนึ่งคือหนึ่งทําแล้วไม่เห็นเรื่องเลยราอะไรไม่มีความตัมใจทั้งอกตั้งใจมันแทบไม่ได้นักใจที่เลสนะ่ะเอาตายก็ตายตายด้วยการประพฤติปฏิบัติทำนี่ ทุกลำบากลำบนมาโลค ก, ก็เคยทุกมาแล้วเดียกันอยู่ที่ไหนมีแต่ปา่าเป็นบ้านจนเมืองแม้อยู่ในเมืองก็มีปัจชาระหว่างนั้นเมนแล้วไม่เห็นมีเมนในโรงพยาบาลก็ปา่าช้าเราเรีว่าไปโรงพยาบาลาบาเป็นเครื่องรักษาคนได้หายโรคโดยถ่ายเดียวเหรือคนตายในโรงพยาบาลมีมากยี่กว่าที่อื่นอีกระว่างเมื่อมัน ท, ท, ทนไม่ไหวรักษาไม่ได้มันก็ตายตายแล้วกยกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมันดูเก๋เตียงหนึ่งๆมันคนตายสักกี่ติดกี่ร้อยคน ถ้าเราที่นาตามความจริ ง, งโรงพยาบาลก็คือป่าช้านั่นเองมึดทนไม่ไหวแย่ไม่ไหวแล้วมันก็ตายตายแล้วก็ออกมาเอาคนนี้เข้าไปอยู่หาคนนี้หามาเอาคนนี้เข้าไปอยู่อาการไปแล้มันผัดมันเกี่ยงกัอยู่นี่ว่านั่นแหะคือปา่าช้าดูเอาออกนั้นก็มาเผาํามเบนํา ม, ามป่าช้าําในป่านี่ไหนไปแกลบมันมีก่ชาช้าอยู่นั้นแหละดูมันเห็นชัดเจนเลยนี่ละคะความจริงมันเป็นอย่างนี้ ไปที่ไหนดูที่ไหนถ้าดูเพื่อความจรนงมีความจิงเต็มโลกเต็มน้ำสันเพราะอย่างนี้ในโรงพยาบาลยิ่งเล็กตรงนี้นจังที่หวังลกูกตาประจักใจเดินก็ไปโอ้เสียงเป็นแถวอยู่มีแต่คนจนกรอบจ ม, มุงคนจะล้มจะตายล้องครงลานลาอาไม่ได้สติสตั้งก็มีเดินผ่านหน้าถนนสังเวชหรือว่าเนี่ยนั่นนั่ น, นดียังไงยังไงที เพระาะงั้นคนเรกตายเนี่ยต่าช้าหน่อนเผากันรั้งตายึงใจไม่ตายที่ร่างกายสีแสนกระจมมันลงไปแตกสลายองไปแต่ใจมันไม่สลายที่มันก็ปรกอกับเนิดเกิดอีกอวิชาปฏิญาสรงคาราสังค า, า, าราปฏิยาวิญญาณวิญญาณปฏิญาามรูปานาปฏัฏญาสราราจิตนะสราราจิปฏิญาภัพโโ พ, พรักรพรรดิเบลนารือน้าปริยาตันห้าห้ายยาอุปาร า, านังป า, านาปริยาพววพระประิยาชาติหนังเห็นมหมหน่ะออกส่วนใหญ่แล้วถึงขายายมาขายายมาถึงกันเนี่ยถ้าติดปริยาชจม า, จ า, าเจรมาลางโชคกลับไปเร็วโดยรวมนนทยาชาส้ำภันติอืเหล่านี้เป็นเรื่องมาจากสมุทัยทั้งนั้นนี่เวลาเก่าแล้วนะคือต่อสืบต่อแขนงมาจากอวิชาเป็นต้นเหตุ ด้วยมาจนทั่งถึงชาติปีตุคาชาติือต้ามานำปีตข้าโขกกับไปเลยดูกรูณสุไพรชาติปีตรคานี่ก็เอเมตตาเกอกขั้นเทตามุระโยโหตน่เราเกวาาน่ะวเราทั้งกวงนี้น่ะที่สืบเนื่องมาจากวิชาจั่งถึงสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของสมุทัยสืบเนื่องมาจากวิชาทางนั้น นี่สาเหตุที่จะทําให้สว์โลกเกิดมันดูในหัวใจคนทุกคนแต่เราไม่ดูนี่จะไปไปรูกไปคำนอกๆตายแล้วศูนย์หน้วศูนย์อันนี้มันไม่ได้ศูนย์อันพาให้เกิดนี่อริชาปญาสร้างคาราถ้าอริชาปญาสั้างคารานี้มันศูนย์แต่อริชายาติเวรวาเศสสมิราการนีโรชาสร้างคาราในโลกตัวสร้างคาราเราทับตระบียนานิโถเรื่อยไปยกระั่งถึงชาติจิตยูฆ่าจะลาไปยกระางมานาไปยกระ่งเขากับไปดยทุกลมลมตุปายยกระชากยู่ค่า เอางั้นกันเอเมตรตรัจเจวะเาดูขั้นรัศศะนิโรโทโหตินามทั้งหมดนี้พอวิชาตัวเดียวเท่านั้นดับไปตายไปเป็นนิโรธคือดับทุกโดยประการทั้งปวงนั่นอวิชาปริญาท่านว่าง น, นั้นนี่แหละหลักเกณฑ์ของสัตว์โลกเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ไม่เหนือจากนี้ไปได้เลยเราปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นเราหาที่คั้นไม่ได้ เราพูดอย่างอาบฐานอวิชชาปัจยาตัวอวิชชานี่เป็นตัวสําคัญมากเวลาปฏิบัติไปตีกระลำเข้าไปกระเข้าไปตัดจีงก้านลากหวอยลากอะไรเข้าไปเรืเ่อยๆจนกระทั่งถึงรากแก้วก็คือตัวอวิชชาถอนผู้วัดขึ้นมาทเท่านั้นต้นไม้ตัวนี้ตายไม่มีเหลือมันจะเหลือจีเหลือก้านอยู่ักขนาดั้นมันจไมไปด้วยกันหมดถ้าเราก็ไดถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วหาทาง จะเดินงามปีไม่ได้เลยนั่นมีข้อเทียบเทียมอวิชาก็เหมือนกันเมื่ออวิชชาจะตะเวอเสสิริราคะไปหมดไปเรื่อยเรือพอวิชชาดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับดับดับับับเรื่อยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอวิชชาเดือดเยินเป็นเถินั่นนี่แหละหลักเกนของวัฏจักรถ้าว่าใครจะลบล้างวัฏจักรคือความตายแล้วเกิด ไม่เกิดตอบอีกเพื่อจำให้ตาตับอีกแล้วให้ลบล้างก่อเหตนี้ให้ได้อวิชาปฏิญาทั้งข่ารานี้ซึ่งมีอยู่ในหัวใจถ้าลบล้างนี้ไม่ได้จะปฏิเสธสักเท่าไราก็ตามว่าตายแล้วสมญไม่มีทางตื่นได้ก็คือผู้นั้นแหละผู้ที่เป็นนักเกิดนักแบกฐามของทุกที่โลกทั้งหลายเขาไม่แบกหนักยิ่งกว่าผู้นั้นผู้นั้นจะหนักยิ่งกว่าใครทั้งหมดผู้ที่สําคัญว่าตายแล้วสูญเพราะ ไม่ได้คิดหน้าอ่านหลังอะไรว่าพบหน้ า, ากันหน้ามีอยากทำอะไ ร, รก็ทำทำตามใจชอบามตามใจชอบก็คือเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันจะอาทําดิบทําดีได้ยังไงมันก็ทำตั้กแตความเฉยชาละมกขนคือความทุกข์ทรมานทั้งหลายใครจะเป็นผู้แบกผู้หานถ้าไม่ใช่ผู้ทําใครจะแบกนั่นหรอกคุ้นั่ น, นจริงๆแบบจะแบกหนักที่สุดอ mm. เล่าเป็นนักปฏิบัติให้พิจารณาตรงนี้ อย่าลืมตรงนี้อาจารย์บ้าแล้วแต่ก็ตามยาลงบ้ากับเรื่องบ้าของผลของโลกที่มีมจิตเดชหนาเน่ยอยในหัวใจถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีจิเลชพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องอภิชาปัญญาโดยที่พระเจ้าทรงเคยเป็นอภิชาปัญญามาแล้วอภิชาปัญญาเคยครอบพระไตยปูลมาเป็นเวลานานจึง ส, สามารถทำนะได้หมดโดยที่เคนไม่มีอะไรเหลือนะจึงสามารถประกาศทำสอนโลกได้อย่างไม่ะศกสถาน เนี่ยรักประกันไม่ให้เกิดอีกคืออวิชชาปฏิญาในขณะที่เรายังในเวลาที่เราปฏิบัติยังไม่เข้าใจเรื่องสิตเรื่องใจนี้มันก็ซ้านไปหมดนั่นแหละความรู้มันเหมือนหมดอีกมีทั้งตัวไม่ทราบจะยึดเอาอะไรเป็นความรู้อะไรเป็นใจอะไรเป็นกายมันก็พอไปหมดแบกไปหมดทั้งกายเนี่ยวภาพเป็นตัวเนี่ยว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นใจเวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปความสงบ ใจจากพิจตภาวนาก็ค่อยสลั่มตัวเข้าไปสลั่มตัวเข้าไปจิตมีส่วนสงบจิตมีความสงบจิตมีความสงบเด่นดวงนะบงังทีเป็นงั้นท่านไปเมื่อเด่นดวงลงไปแล้วก็ทราบเลยทราบพอต้องควรตา ม, ตามขั้นของสมาธิเพียงขั้นนี้ก็ทราบได้ว่าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งแล้วทราบแล้วโดยไม่ต้องไปถามใครแล้วนี่ทราบจากหลักภาวนาที่เป็นหลักรับรองแล้วนั่นเอง ต่อจากั้นพิจารณาทา ง, ารรงาด้านปัญญาแยกธาตุือกขังออกให้เห็นตามความจริขงขอามันหนึ่งอนิจจังสองทุกขงงังสามอนัตตาแต่และจิ้นอันของร่างกายนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาคอรอบรอบครอบครบครบสมบูรสมบูรสมบูรทุกอย่างเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะหนักในทางอนิจจังกวตามทุกขังก็ตามอนัตาก็ตามมันเป็นไปพร้อมกันในแต่ละทั้งสามโดยสมบูรณเ์เพราะถนัดยังไงพิจารณา่อให้มันยัง ทราบความจริงถึงใจนั้นเถอะที่เรศมันจะจมลึกขนาดไหนมันถอนมาได้หมดมันมีขั้นปัญญาตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวโยงกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่อยปัญญาทราบทราบทราบทราบนี่ตัดเข้าไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยเรื่อยเืยที่นี้สมาที่เป็นที่เพียงว่าตะล่มจุดเข้ามาสู่ส่วนรวมหรือตะล่ำที่เรศก็ามาสู่ส่วนสู่สุดรวม แล้วปัญญาผู้แยกแยะเป็นผู้ขี่คาญเป็นผู้ฟากฟันหันแหกกันลงไปตามประเภทของกิเลสและประเภทของปัญญามันมีหลายประเภทนี่ปัญญากิเลสขั้นดาบปัญญาก็มีเช่นขั้นดาบอ่ะขนาดกันไปขนาดกันไปเอาขั้นกลางขั้นละเอียดละเอียดสุดปัญญาเขละเอียดสุดตามตามกันไปมันก็ทังกัไปคําว่ากิเลสและญาตินั่นก็คืออวิชชาั่นเอง ปัญญาที่ละเอียดสุดก็คือมหาสติมหาปัญญาทันต์น่นะแล้ว้อนออกหมดไม่มีสิ่งใดอยู่แล้พันธุ์ใจเลยนั่นแหะที่นี่ทราบชัดไม่ต้องไปถามใครสาธุพูดไม่จะโอมม่จะอวดไม่ประมาทแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้เราก็ไม่ทูลถามท่านจะทูล ถ, ถามท่านยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านก็สอนอย่างนี้แล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้ได้จะไปทูลถามท่านหาอะไรก็เหมือนกับการรับทาน เมื่อต่างคนต่างรับทานครูก็รับทานนักเรียนก็รับทานเราวแล้พูดถึงครูกับนักเรียนรับทานร่วมบงกันแล้วเราจะไปถามครูได้ไหะการรับทานความอิ่มมันเต็มที่เหมือนกันอะไรไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องถามกันนะ้นี่นี่เรื่องความกินมันเหมือนกันนไหนเิ่งไม่ต้องไปถามกันเพราะมันเหมือนกันอยู่แล้วเห็นก็ว่ามันกินมันกันครูปฏิบัติอย่าท้อถอยเราอยากเห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าทํา เราจะคุ้นได้รับผมงในขณะเดียวกันซึ่งเป็นต้นเหตุเราจะเห็นอนไรยิ่งใหญ่ยิ่งประ ก, บกอบความคุกคีบครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเลยแหละไม่ว่าจะครอบด้วยภาพหนึ่งขันครอบหัวใจเราเป็น ข, ง อ, ของสําคัญแจ้ลงที่ดวงใจนี่เอาให้จริงจังสติตั้งปัญญาหมุนตัวไปเวลาพิจารณาพิจารณาให้มันจริงมันจังอย่าทําละหลอกเลยแหละพระริจเจ้ า, าจมันใช่คนหลอกเนี่ยอ่ะมันจริงกันเมื่อเห็น อะไรรู้อะไรให้มันถึงใจทุกอย่างถึงใจทุกอย่างทอดไปถอนไปเรื่อยๆจนมานทั้งเนี้ยมันมีสิ่งใดเดือดเพราะอำนาจของความเขียนเนี่ยสําคัญมากีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นจะรู้ที่ใจนั่นแหละไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าใจถ้า ม, มีอะไรที่จะแย้มคมยิ่งกว่าสติปัญญาที่สามารถจะรู้ได้ เหมารู้ถึงเหตุถึงผลเต็มเหตุเต็มผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็สมบูรณหัวนใจสมบูรแล้วหมดความบกพร่องต้องการอะไรในโลกสามนี่ไม่มีอะไรต้องการดูอย่างอิสระเรีแม้จะอยู่ในขันถ้าขันจะมีความทุกข์ความลําบากทารมานด้วยโรคภัยธาตเจ็บประการใดก็ตามก็รับทราบลงไปเท่านั้นเมือมีความดีใจเสียใจมอมีความไปยึดไปถือแต่กังวลมุ่นวายอะไรกับมันเพราะก็ทราบแล้วว่าร่างกายของเราทั้งร่างนี้น่ะ มันมีดินน้ำลมไฟตรงนั้นเองใจามาอาศัยดินน้ำลมไฟนี่อยู่เหตุได้จึงจะไปยึดเอาดินน้ำลมไฟมาเป็นตัวล่ะนั่นมันถึนงทัดเจ้าชัดอย่างนั้นพีอันนี้ธาตุดินอันนี้ธาตุน้ำอันนี้ธาตุลมนี้ธาตุไฟอันนี้เป็นอากาศธาตุแน่ น, นี้เป็นมโนธาตุแน่รูก้กันหนึ่งกับทันแล้วก็จะไปยึดไปถื อ, อ, อกันอะไรตระหนกอะไรไม่งั้นคงจะเรียกว่ารู้ชัดได้อย่างไงเมื่อไปกังวลกสิ่งเหลานั้นอยู่มันเรียกว่ารู้แจ้งแจงตลอด นี่เวลามันจะไปก็ไปดีเออเรียนจบหมดแล้วนี่เรียนทำมากกว่าเรียนเรื่องเกิดเจ็บตายนี่ไงจะเรียนเรื่องอะไรรู้กเกจดตายก็คือรู้ธรรมมารู้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ทั้งเี่มนอยู่ปกติทั้งที่เย็บไข้ได้ป่วยทั้งที่มันจะตายเอ้รู้เท่าทันทุกอย่างรอบตัวถ้่ชาไม่มีนะนะติดที่นี่ มีก็มีแต่ปัจฉของกายตายนะก็ไแต่ไปเถอะไม่เห็นผิดแปลกอะไรถ้าดินน้าลมไฟเดินไปกัเหยียบดินเหยียบน้าเดนลมไไปอยู่แล้วในตัวเราอดินน้าลงไฟถ้าอันนี้เป็นอักษรจันเดินน้าลงไปทั้งหลายกับสันวร์ี่นันก็เท่าเท่ากันนั่นเองพิจารณันเห็นความจริงเสมอกันงนนี่อ่าบ่นเรื่องเขาเรืองเลย่จุนี้อาราอัพแคนี้กันัญญาที่มาไปแล้วไปใหญ่เลยพอผู้รู้มาที่น